ก็พระที่มาบวชในพระวุทธศาสนามีศีลกันมยู่แ้วตัวไหเป็นนักบวชจากลัทธิอื่นเช่นพระเป็นเจ้าลัทีหรือพระที่พระพุทเจ้าทรงเผยเทศสอนต่างๆสำรักตา่างๆพอแสดงธรรมเสร็จท่านก็บรรุเป็นพระหานเงินท่านก็ขอบวช เมง่อพระทุกข์เมื่อพระอรหันต์ท่า น, ทนก็ไม่มีกายตรวนันที่ไม่สดหงามไม่ไม่ น, าน่าดีความเป็เพื่อนท่านเป็นที่น่าเคารพเรื่อนใส่ตลอดเวลาแล้วต่อมาก็มีกายปวดมากขึ้นมีคนที่ปวดก็มาจากคา ร, รวาสไม่เคยดูมาก่อน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 คนารปฏริที่จะทำให้การปฏิบัตเิเรื่องถอยลงได้ก็มีคนไปกราบถือพระพุทธเจ้าขอองนั้นองนั้นองนี้ว่าประทินนั้นอย่างนี้ได้หน่มึงพระพุทเจ้าก็จะสงเรียกพระที่ถือข่าวหามาสอบสวนพท่านรับว่าท่านทำอย่างนั้นจริง ก็มันก็สง่งศาสตร์ห้างไม่ให้กระทาอีกต่อไปแต่ความผิดขั้งแรกนี้ก็ไม่ถม่ถก็เป็นโทษทเพราะทำไปโดยไม่รู้เท่าถึงการก็ปรากฏเป็นข้อห้างแต่ละ ข, ข้อขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงประมาณสองยี่สิบเจ็ดข้อนั่นเอ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 เพื่อจะทำให้ศาสนาไม่ยืนนานๆแลแ้พวพะเจ้าก็สั่งบอว่าก็าต้องมีการ <c oughs> ม, ม, ม, ม, มีมีพระปิโมยมีหลักหัติข้อห้ามต่างๆพระจาไปบุดเป็นกราบทึงขอให้พระเจ้าทรงมัหลัติยข้อห้ามต่างๆไว้แต่ต้จัดว่าตอนนี้มันไม่มีเหตุ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 สอข้าพูดเอข้ามันนี้ข้ามนนี้เป็นคข้าส่นี่ยเมื่อเห็นกับตาเราทุกข้ามนนี้เนี้ยามยักรับท่านถืงที่ว่าแม้กั่ซับแค่นิดเดียวนะั้นก็ถือว่าขาดใหการเป็นพระได้ข้อที่สี่ก็คื อ, า อ, อการอวดอวดเลยมีนิสัย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 นี่ว่าท่านบรรลุหรือไม่นนะั้นก็อยู่ที่การหนึ่งการสมถนาธรรมระหว่างกันผูท้ที่สมถนาธรรมก็จำเป็นผู่บรรลุถึงจะรู้ได้ว่าผู้ที่ตอนสมถนานด้วย น, ะนั้นบรรลุหรือไม่จะจะรู้เพียงแต่ระดับที่ตนเองได้บรรลุเันแต่ถ้าท่านอยู่ที่ระดับสูงกว่าก็จรได้ทราบว่ท่านมรรลุหรือยัง แต่ถ้าสามกว่าก็จะรู้ว่าสามกว่าสองจะรู้ได้ต่อเมื่อถ้าท่านเป็นพระแร้วนตก็เวลาที่ท่านวหนพาพเสร็จ แ, แล้วอัฐิของท่านกลยเป็นพระธาตอ่างนี้ก็จะรู้ร้สามเรายังไม่บรรลุแต่เราเอาสัยท่านเป็นผู้สอนจนเรายอมเราถึที่ท่านสอนไปปฏิบัติจนเราบรรลุขึ้นมาเอง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 แต่ความจริงเวลาท่านสวดท่านร็สเป็นภาษาบาลีถ้าไม่ได้เรียนบริมาก็ไม่ทราบแต่ก็มีหนังสือที่เขาแต่แต่เป็นภาษาไทยพระทุกมือก็ต้องเรียนกันต้องอ่านกันต้องยีดต้องสมรู้เข้อว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่ากำลังจุ่อยู่ในนักธรรมตัวเองแต่เวลาสวดจริงๆท่านัังไม่ได้สวดมา ก็จะเปลี่ยนเป็นบาเรไปซึ่งการปฏิบัติการสวดพระปฏิมกนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอนูาแตาในบางสำนักบางสายเท่านั้นบางแห่งท้องก็ไม่สวดกันก็ถ้จะส่วดกันะกงในช่วงเข้าพรรษาพอออกภาษานะขเขาก็ไม่สวดกัน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 ให้ครับให้ดำงานตอนอยู่ในกรอบของพระในพระโมกข์ถึงแม้ ว, ว่าใจยังเด่นงอนกอดแวนอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะพูดอยู่คุณ้อยู่ให้มีสติรู้ว่าสิ่งที่ตอนอยากพูดอยากจะทามันไม่อยู่ในกะอกรอบของพระเช่น่างนีู้บ้านที่จะบินตลาคเขามีก็เลยระวังไหน มันหลังก็เทวันเล่นน้ำมันมันลดน้าสงน้ำพระกันเห็นพระเห็นเขาเ่นน้ำก็อยากจะเล่นกับเขาก็ก็ต้องทำไม่ได้ก็ต้องเห็นวาใจยังยังวิ่งย <laughs> <c oughs> ังอยากอยู่เพราะพระเทวายที่เขาบวชันสมัยนี้เขาก็อบวดตามประเพณีใจเขาก็ยังไม่ได้รับการ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 อย่าก็าต้องคารุในน้อยใน1้อยก็ต้องคารุในพันในพันก็ต้องออคารุในพนแต่คนบางคนที่ยศถึงสูงแต่เรื่องวิสีก็มีเยอะแยะไปไม่ง่ายคารุดย่อยอไสแต่ก็ต้องคารุดจนตายตามกฎของสมุเมลลิเป็นเหมือนลงละครรอบนี้จะเป็นเหมือนลงละครใหญ่งแต่ละคนก็มีบทบาทของแต่ละคน แล้วเราก็ต้อ ง, งแยกแย ะ, ะความสุขต่างของคนในทางแบ่งเป็นสองภาคภาคสมมติกับภาคธรรมะภาคสมมุติก็อย่างที่ได้พูดไว้เขาแบ่งไวต้ตามตามตำแหน่งตามยศ ต, าตา่างๆส่วนภาคธรรมะนี่ก็แบ่งกันที่ศีลและธรรมศีลก็มีศีลมากศแล้วยธรรม ก, ก็คือมี มีคุณธรรว่ากน้อยต่งางกันเป็นพระโสดาบันก็ตามกว่าพระสัดสะสิดาคามีพระสัจาคามีก็สามกว่าพระอนาคารีพระอนาคารีก็สามกว่าพระอรหันต์มีทางธรรมท่านแกวแก้ววัดแลอย่างนั้นเพลงความ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 ถ้าไม่ใช่เป็นศัพท์ที่ตายแล้วก็มีอย่างอั่นที่รับประทานได้ทุกผักพวกข้าวเหล่านี้ก็เป็นอาหารได้เรื่องทั้งหมดนี้ก็อยู่ในังทารู้คือจิตนีจิตถ้ามีความหลงก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็จะ ตกอยู่ภายใต้อำ น, นาจของความโลภของความอีาอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรอยากจะมีอะไรก็จะใจหวาหามาด้วยวิธีการต่างๆถ้าหามาโดวยวิธีสึดกลิกไม่ได้ก็หามาโดวยวิธีทึกเกลิแต่หน้าจิตที่มีความรู้สึกสำนึกคิด ว่า่าที่จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างจเจริญก้าวหน้าจะต้องอยู่อย่างมีอย่างในศีลธรรมคือไม่เบียเดเบียนผู้ืเขาก็จะบำเพ็ญไปในทามนั้นจะรักษาศีลจะมีความเมตตากรุณนนามีความเลือกเพื่อเผื่อแผ่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 เรืยในแต่ละภพในแต่ละชาติจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าในบางภพบางชาตถ้าเป็นยุนเป็นกุศลเป็นชชค ว, วาสนาข้าจะได้ไปพบ ก, กับพระพุทธเจ้าโดยได้พบกับพสังสาของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเร า, า, ารชาตนี้เราก็ชคดีที่ได้มาพบ ก, กับพระพุสธเจนา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 การให้ได้การที่เป็นได้อย่างไรงั้นถ้าได้เจอสาธุเจอกาญจนาของพระพทเจ้าก็จะช่วยทาให้การดำเนินของเราการปฏิบัติของเรานี้ก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างืวอเลยดีกว่าการปฏิบัติไปตามความรู้ที่เรามีอยู่ของเราเอง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 เราต้องเดินแต่ข้าวของกะการแดดการฝเหนื อ, อยากเท่าเหมือนขนทางก็ลบากลงบนขึ้นเขางยงช้วถ้ามีรถ four w h e l ไปด้วยมันก็ไปได้เรเ็วกว่านี่คือความเมตตาของพระพุทธเจ้าถ้าจะเหมนเจ้าของรถโค u r ขถถานาเผ่านมาเห็เราสำลังยยาองอยู่ก็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 ไม่เสร็จไม่รู้เสร็จเบื่อบ้างไหมก็ความทุกข์ที่เราต้องเจออยู่ด้วอยๆชอบเดินชมวิวมัขึ้นรถขึ้นรถจะบากหน่อยตอนบินขึ้นรถเท่านั้นเราขึ้นก็ไปนั่งในรถแล้วก็สบายแต่ตอนบินขึ้นรถนี้อจจะลำบากหนอยาะมันสง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 กำลังคเทศความธรรมอยู่เรื่อยๆหลังแล้วก็ให้นำออกไปค่ายควรพิจารณาอยู่เรือยวเพราะนี่คือบอกเกิดของปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะพาเราไป น, นี่นะจ่านี้ก็เริ่มต้นที่สมาธิกิสัมมาสังกัปโะคือความเห็นชอบกับความไม่อชอบ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 เมื่อเรามีความยินดีแล้วเราก็จะมุ่งไปในการทำเราก็จะพยายามนั่งสมาธิจะนวนสติอยู่เรื่อยๆและเมื่อเรานั่งสมาธิได้ทีสติเอยียงต่อนเนื่องจิตของนามก็จะมีความสงขมีความสงบว่าขึ้นไปทำให้เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาความสุขจากภายนอกทำให้เราไม่ต้องไปงยืมเงนินหาเงินหาทอง เพื่อมาซื้อความสุขเงินทอาที่เรามีอยู่ก็เราก็จะเห็นว่าเราไม่มีความเต็นที่จะต้องมีไว้มากมายเราก็จะแบ่งปันไปทำบุญเก็บไว้เท่าที่เท่าที่จำเป็นแล้วก็จะเท่าหาความสุขภายใ น, นให้มากขึ้น ถ้าลองเข้าข้างในแล้ว<ม>การใช้เงินใช้ทองนี่จะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไแต่แต่เฉพาะการดูแลสุขภาพร่างกายคือคืออาหารเระรับประทานเสื้อผ้าก็ถ้าจะไม่ต้องซื้อเพราะมันนานใคซื้อสักตัวสองตัวก็วมีอยู่มากแล้ว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 หรือในขณะที่ยังไม่เปลี่ยนบาคทีใจเราก็เปลี่ยนไปเช่ก่อนนะบางสิ่งบางอย่างตอนตอน้นตอนที่เราไม่ได้เราก็อยากได้ใจก็ฝันฝส่คิดว่าดีนั่นดีนี้พอได้มาเป็นสมบัติแล้วพอเห็นกำเจทั้งชาตก็เกิดความเดือนร้นขึ้นมาแล้วเสื้อผ้พาต่างๆที่เราซื้อมาใหม่เพิด้ได้อย่างนี้ เวลาที่อยู่ในร้านนู้นนว่ามันสวยได้ใจพอเราซื้อมาใส่แล้วมันกลับไม่สวยอย่างที่เราคิดจังก็ต้องไปหาทุกใหม่ๆ ม, มาใส่เรื่อยๆที่กือลักษณะของสิ่งต่างๆในโนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ให้ความสุขที่ถาวรแล้วก็มันมีมีโทษในทุกตามมาด้วย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 ยูขเกียวกับรถถอดนะคะเป็นนิจทุกขังอนตาแม้ว่าเราที่เราเห็นด้วยตานี้ยะป็นอนังกขังอนตาด้วยหนด้วยห็น่มด้วยจมูกสัมผ like ัสได้วยงริมลิ้นด้วยลิ้นสัมผัสได้เพ่ล่าตจนี้เป็นนิจังทุกขันัตาเราจะเก่าครางเบื่อหน่ายเป็นแล้วก็จะเกิดครามยินดีที่จะเจริญธรรมะ พือแต่กติกาทำจิตใจให้สงบแล้วเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาทำจริงจรกงง น, นี้มันไม่นานที่มันไม่ได้ผลันส่วอย่างเพราะมันไม่เอาจริงเอกันทำเป็นาตาพ อ, อาของปากของคอพอหน้าตาหนึ่งก็ร่วงหลับไปแล้วหมือถ้าไม่หลับก็คลุ้งซ่านหรือถ้าอย่างนั้นก็แกะตรงนั้นียงตรงนี้ท้อะไรสักอย่าง สไม่ได้เก็บจอมอยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจเขายัวแต่นงแล้วก็คิดถึ่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็จไม่ได้ผลแล้วก็จะเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจติเล่ก็จะมาอ้างว่านับบิบัติไปก็ก้ายประโยชน์หมดว่าวาสนาไม่คอบดินไม่คอเอาไว้เอาไว้กันนะฝนมาฝันมา <laughs> ถ้ามีาความสุขแบบนี้ไปก่อนถึงแม้จะทุกบ้างก็มันก็ยังสุขบ้าง <c oughs> แล้วเรามันเวล า, าสุขก็ดีแหละแต่เว่าทุกอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเวลาที่เราร้องหมร้องห้งหางเสีย อ, อกเสียใจเใจ็บใจปวดใจช้ำใจอยู่ที่เราเนี่ยเราไปหลวงเท่าเอง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 มันอากมาเรียมันก็จะเป็นทุกข์ึ้นมถ้ามันก้าวข้า ง, งานแล้วมันก็เย็นเย็นมันก็จะก้าหาคุกโเข้าหาอารมณ์ห า, หายใจข้าหาการคิดพิจารณาอาการสามสิบสองสามหลัาการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายถ้่อยู่ในวง น, นี้แนละ้วรบรอกได้ว่าความสงบจะไม่อยู่หายใจเมื่อมีความสงบ ก, ก็จะมีความส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 เป็นเหมือนงานยิงที่มีการที่สุดงานยิงไปงานยิงที่ไหนจะเวลาไปใหม่ๆก็สนุกสนานเฮฮาเอาเดือเข้าเดือดเข้าเดือดก็ต้องเลิกลากันไปความผิดทางวันธรรมเนี่นนยมันมันมันไม่ไขม่าอย่างความสิดทางธรรมจากการได้ปฏิบัติธรรมได้พบ ก, พกับความสงบมันจะถาวรมันจะอยู่กับใจเราไปเรื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 ในสู่ข้าของข้าริษานกางการนี้ก็เป็นเรือคุณยาจะต้องอาศัยเป็นไปก็ต้องดูแลกันก็ต้องมีบ้านมีทรัพย์มีินข้ามสองเงินทางไว้สนับสนุนแต่ให้มีพอประมาณพออยู่พอกินอย่าหมดเวลาไปกับการหาเงินเพราะเราจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติกัร หาพอสมควรหาให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อเราจะได้มีเวลามากไปในการไปในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราหามามาก ม, า ม, ามีมีงินมากเกินเดี๋ยวมันก็จะคิดไปในทางทเกยนแทนที่จะเอาไปทำบุญเนี่ยนะเข้าว่าปฏิบัติทางก็คิดว่าออานั้นไปนเที่ยวดีกว่าไปซื้อสิ่งของฟุ่มเคืยกันไปซื้อความสุขแล้วมันก็จะติดเป็นเหมือนยาเสพติด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 แต่มันจะทำให้เราติดอย่างหวังแล้วรไม่เราต้องเรียนมากการเกิดหลายทุกข์หลายท่านต้องพยายามขับตัวเองขับตัวเรามาบำเพ็ญบำธรรมเพื่อให้ได้มีมีข้อคิดที่จะให้กําลังใจให้เรามีกําลังใจใหเ้เราคิดเป็นทางที่ถูกเมื่อเราคิดไปในทางที่ถูกแล้วมันก็จะพาเราไป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 เมื่อถ้าเราเปรียบเทียบเวลาเวลาเราจุดไม้ถีดเนี่ ย, ยนุ่งมันก็หม ด, ดนะครัวผมลอาอยู่ในที่มืดเรามีไม้ขีดอยู่ก้านเดีย ว, วเราต้องการแสงสว่างแล้วเรจุดไม่ขีแล้วมันถ้าขีดนาทีถ้าขีดวินาทีมันก็ดับนนนในห้าพันปีเมื่อมันเปรียบเที ย, ทยกบกับดับเนี่อันกเป็นเหมือนกับชือดเชือด ว, วนาทีเดียวเท่านั้นเอง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 แล้วก็ไปเจอกันใหม่แล้วก็มานั่งทำอย่างนี้กันใหม่ทำไเรื่อยๆเ็นการจะขยับไปเรื่อยๆชาวหน้าจะมาเป็นพระกันก็ได้เป็นบวชเป็นเป็นชีเป็นพิชูรีก็ได้มันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอาจารย์บอกว่าให้โตในนิพพานตนนี้นะคะคือเรื่อกับให้ลอ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 แต่ไม่ค่อยคิดทางด้านจิตใจตไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าจิตใจตเป็นยังีงไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเครียดสังเกต ด, ดูพวกที่เป็นผู้บริหาร <c oughs> ผมจะขาวกว่ น, นี้ <c oughs> <laughs> พวกลูกน้องนี่ผมจะไม่ค่อยขาวเลยเพราะไม่ต้องแบกบแบกแบกบความรับผิดชอบ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 ได้สุขได้สบายแต่มันไม่พอมันก็ยังบนเวียนอยู่ในอ่างบนเวียนอยู่ในการเวียนว่าตายเกิดอยู่ที่ทางการให้ไปก็คือให้ไปให้หลุดจากวจา ง, งจรวงโคจรอย่างนี้ให้วงจรในบ่ายวงจรแห่งการเกิดแก่เกิบตายเราไปได้แล้วต่อเมื่อเราจับเาปล่อยวางละความสุกขัทงโลก เข้าสูา่สทางสบทางทรมเข้าสูา่ภายในเข้าสูา่ายนจิาของจตใคนในสังคมเขาหาเงินได้ก็มีความคิดว่าจะเก็บเอาไว้ในภายภาคหน้าบ้างเก็บไว้ให้ลูกหลานบ้างไว้บางนี้ก็ก็คิดแบบนี้เยอะเนกัน ก็ได้ก็คิดก็ก็แบ่งไว้ไงคือเร่องจนที่จะต้องให้เ็มไว้ทั้งหมดให้เท่ที่จำเป็นเขาอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อแล้วก็คิดถึงความเดือดร้อของผู้หญิงบ้ายิ่งบนก็ไว้ใจกัอร้อน้า้างางเสร็จเราสบายนะมันก็ช่วยเหลือคนที่เาต้องา ที่เวลาเาา ด, ดี่ยให้ให้สวนชองไปรับสารตัวในรลางกาจะได้มีอาการอย่แจ้งอย่างนี้ตั้งแต่โยมยัมีความเป็นเป็นง้องทำงานการทำการทางา น, นที่ทำสิ่งภายนอกเนี่ยนะฮะเราก็ทำยังไงที่มันจะได้ไม่ไม่ทุกข์มากยังทักจังจังเป็นอยู่นะฮะ ไม่ทุก็คือเราต้องไม่ยึดติดกับงานยุงน่งเหยคือความที่จะออกเมื่อไรก็ได้คือเราทำหน้าที่ของเราให้ดีให้ถึนก็แล้วกันนี่ถ้าเราไม่ไมไม่ผู้ที่เขาเป็นคนจ้างเราก็าไม่พอใจเขาจะให้เราออกเราก็ อ, า อ, อก็ออกเราก็จะไม่เคื่อ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 ถ้าเราไม่หลงตัวเองแล้วเราก็จะไม่ยึดติดกับตำแหน่งต่างๆพอถึงเวลาที่เขาจะเปลี่ยนให้เราเป็นลูกน้องบ้างให้คนอื่นขึ้นมาเป็นลูกพี่บ้างเราจะไม่ยุกสิกเขียหน้าเพราะเราไม่ไม่ได้หลงยึดติดกับตาแหน่งนั้นๆเราคิดว่าเราก็เป็นลูกจ้างเสมอเพียงแต่เราอาจจะโชมดีดมีความรู้ความสามารถที่ทำให้เราได้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 ท่านอาจรย่เล ง, ง, งต้องการกัู้ธรรมานี่นะคะรับจเราต้องเวลานั้นบงทีในณที่ท่านอาการสอนเนี่ยี่เรื่องเราคิดตามไปเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาที่คิดตามไปทีสิงที่่าอจารพูดต่อเราเราฟไม่ทา ต, ตัวมลอจะคิที่ให้เหมือนปัญญาเดินในเรื่องที่ท่านอารอันนั้นก็ไม่สมวรทาจริงสมควรเนี่ยเวลาฟังเนี่ยท่านสอนเราฟังได้สองสองลักษณะ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 เกิฟัวามมึนหงหงิใจขึจ้นมาลำคานใจขึ้นมาฟังแล้วไม่เรื่องนนี้จะฟังไปทำไมอันนี้ก็อย่าไปคิดแล้วก็ฟังไปฟังไปพอถึงจุดที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ฟังแต่เสียงไปก็รักันอย่ไปคิดอะไรฟังตามเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้า ง, าางก็ฟังไปนิดนะึงก็จะเป็นสมาธิเวลาฟังจะไม่จําเป็นจะต้องพุโทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจไป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 ก็คิดถึงความตายแล้วใจมันสั่นไปหมดใจมันความสุขมันหายไปหมดจะอยากจะไปเที่ยวไหนมันมันขดไปหมดมันไปมั น, ม, นมันทำให้กิเลสพยายานต่อต้านไม่ให้เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้ห้เราลืมลืมไปเรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้หลงไปกับการหาความสุขความสนานเฮฮาของเราไปเรื่อยๆใจของเราจึงไม่พร้อมที่จะรับกับความตายเวาที่มัน มีอะไรมากระทบกับใจที่ทำให้รู้สึกว่าความตายนี้มันใกล้เนอะ น, นี่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากแต่ถ้าเราเร า, เราสอนใจอยู่ว่อยๆว่าร่างกายนี้มันจะต้องฝ่ายแน่ๆเนะ่ยเราก็สอนเอาไว้มันจะตายแบบไหนเนี่ยมันจะตกขึ้นดินตายจปโดนน็อตชนตายจะสมน้ำตายจะถูกข้ายินตายพันตายจะเป็นอะไรตายจะ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 แตไอ้คนที่จะต้องเล่นบทนี่มันมันไิ่งวายไปเองมันเพิ่งจเล่นบทใช่ไหนพอร่างการนี่มันเป็นเราเป็นเป็นตัวตัวได้พอเวลาเล่นจริงเหนื่อยใค่ไหมขึ้้มึมึงซ้อมองเงียเราเราซ้อมอยู่แต่พอมันเวลาเล่นจริงเนี้ยตาจะตึงตงนี้เลยตงเลยเพราะว่ามันมันยึดมันยังยึดติดอยู่ัยึดติดขณะที่เราซ้อมนี่เรายังไม่ได้ไป จะเจอกับเหตุการเกรงเราก็ยังรู้สึวมันมันมันยังปลอดภัยแต่พอเราต้องไปอยู่ที่เตลเตีืวๆอย่าเนี้ยพลังใจมันจะส่นเลยมันจะเราสั่งาสายไปแต่ถ้าเราศึกษอยู่เร่อๆนจับคล็ันได้วต้องยอมต้องปล่อยเงี้มันต้องเป็นแน่ ถ้ายอมรับความจริงแล้วมันก็จะมันก็จะดับความความความวุ่นวายใจได้ กาัทางโลกนะี่ได้สงครามชวเพราะว่าป็นร้านดีนะเรื่การคุยนะก็ทาโลกกับทาธรรมยังคนทางกันอยู่แลวเ่เออการคือการคือความหลงความหลงเร็คิดอย่างนี้เพราะความหลงทาให้เราอยากจะอยู่ไปนานาความอยากนี้ก็เป็นกิเลสเป็นปัญหาละเพราะมันขัดกับความจริง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 แต่ความจริงแล้วทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันมีโอกาสที่จะจากเราไปได้เสมอในเวลาดาังเวลาเนี่ยแล้วเราต้องเตรียมพร้อมที่จะให้มันจากเราไปถ้าเราพร้อมแล้วเราก็จะไม่ทิดถ้าเราไม่พร้อมมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงเป็นกังวลไม่มีที่พึ่ง จึงว่าไม่ไม่ควรมีอะไรดีที่สุดแต่แต่ร่างกายนี้ไม่มีได้ก็ย่งดีแต่เมื่อมันมีแล้วถ้าถ้าเรายังมีภาระที่เราต้องทํามีธุระที่ต้องทําก็คือป ล, ปลดปล่อยจิตใจจากการยึดติดเรนก็ต้องทําต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเมื่อได้ทําภารกิจของลรทำพระเออโอ๋ไป ใช่ไเนี่ยก็ไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ของมันเก่าแล้วอีกทีได้ฝักผมนะได้เลยครับเป็นเวลาต้องเป็ีนเครื่องใหม่ใหม่เข้าใจว่าสวิตมันไม่ดีสามปีพอดีเดเลพีเดืนนี้จป็นด้นาที่แกนี้ิี่หลังก็ตามมาหลายเดืนมาสิแ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 เมตาก็เมตาไปเป็นคนละเรื่องกันตั้งใจก็บแบบพกนู่ <c oughs> นอยู่ไม่ได้แ บ, บรอไม่ ไ, ม <c oughs> ได้แบบอยากทำอะไรครับทั่วทุกมุอยากดีได้ไหมครับได้ทได้อยากให้ความคิดนี้เข้ามาขัดขวางหนุนกระจัดเราคิดว่าทาได้เป็นคนเหมือนกันมีใจเหมือนกัน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 ก็บังทีก็ควรจะผปรึกษาก่อนคนรู้ซึ่งจะปรึกษาทนายความเพราะเขารู้เรื่องกฎหมายใอืมแตริีจัยอาจจะมีความหวงหรือเปล่าใ น, นวัดมีวินัยคุณปรุัตาเทเลอร์นีคว่ามีมีกฎว่ถ้าของใครเขาลืมไว้อย่างนี้เราก็ต้องเก็บเอาไว้ให้เขาร้อยเข้ามามาเคลม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 ถ้าอยู่กลางถนนนี้เราจะเก็บไว้แล้วไปแจ้งจอสอร้อยหรือที่ไหนก็ได้ใช้ปัญญาหน่อยี่เพื่อนนี้ว่านี่เขาเก็บที่สนามบินได้เนะนี่ยแค่ความที่กลัวไปกลัวมาถืกอกลับมาเมืองไทยอะ่ะอืก็ <laughs> แล้วมันอะไรกันาไายทันมรู้เรื่องที่ว่ามันรู้ว่าใครนี่สายจะเสียได้ของ พอเห็นของแล้วก็เสียดายผูคนจะเอาไปผูคนไม่ดีจะเอาไปจริงเราเชื่อไม่ใช่ของเราเราก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในสถานที่นั้นรับผิดชอบไปจะบอกเขาว่าของของใครเงี้นี้ไม่คิดว่าอาจจะมีระเบิดอย่างนี้หรอกอะรียกว่ากลูว่า ในกระเป๋ามีคลอเอาไว้แล้วมียาเสพยิ่งในจะเดือดร้อนติดคุกติดตารางอยรู่ตัวก็เลก็เลยหิ้วมาเอากลับมาเรื่อยก็ไม่รู้เป็นเงินจะทำยังไงก็เก่งว่าอย่างนั้นเขาบอกเขาจะไปทาเอาเงินไปทาบุญก็ไม่ถูกเขาไปใช้เงินของเราหร่อเอาไปทาบุญได้ยังไงเราต้อสงสาเรา่ก็บเนตัวแยงเขางนที่้สิทธิ์กิดที่คืนเงินของเรได้ยังเป็คู่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 คือ ท, ที่รู้มากกว่าทีนี้ลูกเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆควรจะพักความสงสัยนั้นไว้ไม่ต้องไปสอบถามแล้วทำไปเรื่อย ใ, ให้รูเองมากกว่านั้นหรือว่าควรต้องเช็คว่มันผิดหรือเปล่ายอย่างนี้ค่ะคือผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ถ้ามันเป็นความส ง, สมมงนบนิ่งเย็นสบายเนี่ยมันก็ถูกแต่ถ้ามันปรากฏเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆลันเนี้ยมันก็ไม่ถูก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 ตอนนี้ที่ต้องพิจร า, ารณาว่าตอนนี้ใจหลงยึดติดอย่างแบบขันห้างว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วไปสวยความอยากให้มันอยู่ไปนานๆให้มันให้ความสุขกับเราไปนานๆซึ่งมันขัดกับความจริงความจริงแล้วมันไม่อยู่กับเราไปนานๆมันไม่ให้ความสุขกับเราไปนานๆมันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราอันนี้เราจิดต้องมาถอน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 ถ้านั่งไปแล้วไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ปุ๊พอมันออกมาจากมาที่มันเหมือนกับไม่ได้มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังที่จะไปคิดพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาขันท่ากายเวทนาสัางขานยิญญาณปัญ ญ, ญ, ญาสังขารยิญญานเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นใจลักเป็นอนิจจัทุกขนนังอนิจจามันก็จะไม่ได้พิจารณา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 เพราะว่าไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิว่านั่งแล้วนั่งเพื่ออะไรผลที่ควรจะได้พึงได้นั้นเป็นอย่างไรนั่งแล้วพอได้ลึกได้เด็นก็ลองยึดติดว่าเป็นมากเป็นผลไปลองคิดว่าตนได้บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรานั่ง น, น, นก็ขอให้ถือหลักเกณฑ์ น, นี้นไว้ก็แล้วกัน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 ใครมาเป็นคู่คอรองอันนี้น่ะจะเป็นจะเป็จะเป็นคู่ริษเตถึงจะเป็น<ม>ถึงจ ะ, ถ, งจะถึงจะเป็นมักผมขึ้นมา <c oughs> ถ้ายอมรับความตายปล่อยวางได้ก็เป็นสรรดาบังลนะธรรดาบังพระอัญกองทยักษ์เต่งว่าจาว่าทำใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้เกิดแล้วมันก็ต้องตายเป็นธรรมดา <c oughs> ยอมรับได้ ่น้นกังวลแล้วถ้าพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามมีแต่โครงกระดูกมีแต่ตับไตไส้ทุงมีแต่สิ่งปฏิกูลที่ออกมาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่อยากจะเข้ากันไม่อยากจะมาเอามาเป็นคู่ครองไม่อยากจะหาความสุขด้วยก็หลุดจากก็กลายเป็น้าอานาคางอีกต่นี่ากในเพียงแต่พิจารณาขั้นร่างกาย ก็ได้ถึงขั้นนะอนาค า, าอื่นส่วนพออาระอรหันต์นี่ก็พิจารณาเวทนาสัญญาสังขาร่งยาเาไนเราิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะอเราเตั้งใจจะรแอเมันก็ไหลไปเรื่อ เ, เรื่องเกี่ยวกั บ, กบว่าทุกอย่างเป็นธาตุสิ่แล้วก็คืนเมื่อวันจบไปงานศบค่ะแล้วปรากฏว่าก็ไปดูลรงแล้วก็จากที่เราฟังที่พักเมรุแล้วล่ะครพิจารณา แต่ะมันเหมือนว่าเราไม่ได้มีสติในการคิดเราไม่ได้ฟังมันก็ไหลความที่มันไหลเองนั่นแล้วพอเราเริ่มมีสติพอเราตับมาหรไม่มีความรู้สึัสีแล้วเป็นสิ่งที่เรายอมรับหรือเปล่าาคนจะทำยังไงคตอนแรกตั้งใจที่จะแต่มันเหมือนกบหลงดีเรอว่าแคนี้ก็ถักทันี่ก็เป็นทักทาแต่ว่าเราต้องทาในสองฝ่า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 ออกมาจากสมาี่ไปยังอยู่ตกน้ำไปอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นนิมิตในวิปัสสนาเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้หรือมีมีนิดๆอย่างที่เช่นเหมือนจะว่าเราตก น, น้ำแต่ว่าน้ำไม่เป็นแล้วเรากำลังจะจมนะเนี้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 สอนล้วก่อนเถอะสอนอยู so, ale, so okay. okay. work, so ่แล right? okay. so ้ว so, ค uh, so okay. mm ่แ hmm. ต่หมายความว่าเขาเรื่องของเขาไม่เป็นไรหรอกสอนตัวเองถ้าถ้าเราถ้าเราเ็นแล้วสอนสอนขาง่ายพราะเราจะเราจะชั่งน้าหนักหรือว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมกนแล้วเขารับได้หรือรับไม่ได้ใช่ใช่เห็นใครก็จสอนไปหมดเลยไม่่เ้พได้จูงใจดูมดทีู่เดินเลยคนคือว่าเขาไม่รู้ทุกู้สืบครอแต่ว่าวิการดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นเอง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 ได้ได้ต้ ง, ตงไม้ที่ไหนก็ได้ของท่านนี้ต้องเป็นที่ที่สงบที่วิเวกแส่ของของุธชนนี้จะต้องอยู่ในกลุ่มกันก็เป็นกลุ่มเป็นอยู่ที่ไหนคนเดียวไม่ได้นั่นคือ้ารระหว่างนี้มีภครื่องกันธรรมนาระงมันจะมีสิ่งพิเศษอะไนี่คือมันจะมี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 บางนอีเทสตั้งละหมาดฟังฟังก็ได้คำตอบแต่บางทีคำตอบมันก็โผล่มาเองค <laughs> ืท่านพูดไว้นานแล้วคือแต่เราฟังไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นเราไม่มีคําถามคําตอบ ม, มีอยู่แล้วแต่เราไม่มีคําถามพอเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเราจะพบกับคําถามแต่เราไม่รู้ว่าคําตอบคื อ, อตรงไหนเรากลับไปฟังเทสของท่านอีกทีท่านตอบมาแล้ว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 มันจะบ้าสังขารได้คิดตั้งวันหนคิดแล้ววังวอยู่เลยอ่ะหาคาตอบไม่เจอไอ้บางค่องตอบไม่ใช่ว่าลองคิด้ายแล้วมันจะแก็จะเพรมันกระจ่างนั้วมาจะเสนอแลเดี๋ยวมันก็ตรงแต่งคิดหาปัญหาอย่งนี้เรื่ยๆทีไงมันปัญหามันจะเกิดในขณะที่เริ่มทำสมาธิสมอ เล้วาจิตเจลิ่ยขงเรามันอาจจะกปนแบบพวกปัญญาวรัอสมาี่ต้องพิจรารณาเป็นยศหลบให้ผู้อยู่กับผู้โธผุ้โทนี้ไม่อยู่อาารคะังจากที่ลูกเคยตะเรียนว่ายอมรับเรื่องของท่าศีลแล้วมีก็พยายามทำมีสติตามู้ยอยูแล้วบางตอนมีวัผ่านข้าวเขาทันทีที่ ทานอาหารเนี่ยก็มีนห้มีสติตามนี้นมันเห็ุนี้อาหารเนี่ยเป็นธาตุสีและวุ่นเป็นงานื้อที่เหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้คําบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนธาตุสีติดใจกนน็ดีว่าถูกต้องข้อสังเัญก็คือเมื่อเรียกว่าเป็นธาตุสีแ ล, แล้วเราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดมันก็เหมือนกับเหมือนกับขวดน้ําเหมือนกับตัวมันก็เป็นธาตุเหมนกัมันก็เป็น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 ไม่ทำาฮ่านอนนี่พักอนเลยนะ